บนฐานแห่งธรรมชาติมนุษย์ผู้เป็นสัตว์ต้องศึกษาพระพุทธเจ้าทรงตั้งหลักพระรัตนตรัยขึ้นมาหลักพระพุทธศาสนาตรงนี้สำคัญที่สุดเพราะมนุษย์ฝึกได้ฝึกตนเองได้แต่เมื่อฝึกแล้วประเสริฐสุดการที่ยกพระรัตนตรัยขึ้นมาตั้งเป็นหลักก็เพราะความจริงข้อนี้คือ พระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบโดยเป็นสารณะคือเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกว่าอันตัวเรานี้ก็เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนที่จะทรงฝึกพระองค์ก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้เราจึงมีศักยภาพที่จะฝึกให้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐเลสอสงสุดได้ตรัสรู้สัจธรรมมีพระคุณสมบัติสมบูมบรณ์ทุก ป, ประการ การที่ทรงมีพระคุณสูงเลิศอย่างนั้นได้ก็เพราะได้ทรงฝึกพระองค์ดังที่เรียกว่าทรงบำเพ็ญบารมีมากมายจนเต็มบริบูรณ์เราจึงตั้งพุทธะขึ้นมาเป็นแม่แบบว่าดูสิมนุษย์ผู้ฝึกดีถึงที่สุดแล้วพัฒนาดีแล้วจะมีปัญญารู้สัจธรรมบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระอยู่เนื้อโล ก, กธรรมมีความสุขมีชีวิตที่ดีงาม มีคุณธรรมความดีงามที่สมบูรณ์เป็นที่พึ่งของชาวโลกเลิศประเสริฐขนาดนี้พอระลึกอย่างนี้ก็เกิดศรัทธาที่เรียกว่าตถาคตกโพธิศรัทธาคือเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งก็มีความหมายต่อไปอีกว่าเชื่อในปัญญาที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นพุทธเพราะฉะนั้นการที่ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนั้น ความหมายอยู่ที่นี่คือหนึ่งทำให้เกิดศรัทธาที่โยงตัวเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าว่าจากความเป็นมนุษย์อย่างเรานี้พระองค์ได้บาเพ็ญบารมีฝึกฝนพระองค์จนเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันถ้าเราฝึกตนจริงจังให้ถึงที่สุดเราก็จะเป็นอย่างพระองค์ได้ทำให้เราเกิดความมั่นใจว่า เรามีศักยภาพที่จะฝึกให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ 2. เตือนใจให้ระลึกถึงหน้าที่ของตนเองว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งจะดีเลิศประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพัฒนาตนการฝึกฝนพัฒนาตนเป็นหน้าที่แห่งชีวิตของเราหรือของชีวิตที่ดีเราจะต้องฝึกศึกษาพัฒนาตนอยู่เสมอ สามให้เกิดกำลังใจว่าการฝึกฝนพัฒนาตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงธรรมจนสำเร็จผลสมบูรณ์แล้วเป็นตัวอย่างพระองค์ทำได้แสดงว่าเราก็สามารถทำได้แม้ว่าการฝึกศึกษานั้นบางครั้งจะยากมากอาจทำให้เราชักจะยออ่อท้อแต่เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เคยประสบความยากลำบากมากกว่าเรานักหนา พระองค์ก็ก้าวฟ้าพ า, าลุล่วงไปได้เราก็จะเกิดกำลังใจที่จะฝึกตนต่อไปสได้วิจิลัดจากประสบการณ์ของพระองค์พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาลำบากยากเย็นอย่างยิ่งต้องลองผิดลองถูกบำเพ็ญบา ร, รมีกว่าจะเป็นพุทธได้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงประมวลประสบการณ์ของพระองค์มาวางเป็นหลักเป็นลำดับสอนเราให้เข้าใจง่ายขึ้นเท่ากับบอกวิธีลัดให้เราสำเร็จรูปจากประสบการณ์ของพระองค์ซึ่งเราเอามาใช้ได้ทันทีไม่ต้องยากลำบากอย่างพระองค์การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะได้ประโยชน์ถึงสี่ประการอย่างนี้เราจึงตั้งพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกของรัตนตรัย เป็นสารณะข้อที่หนึ่งเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแม่แบบแล้วก็คิดจะฝึกศึกษาพัฒนาตนทีนี้การที่จะพัฒนาตัวเองได้ก็ต้องรู้หลักรู้ความจริงของกฎธรรมชาติคือธรรมะและต้องปฏิบัติตามธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นจุดเริ่มที่นําเราเข้าไปสู่ธรรมะพูดง่ายๆว่าจากพุทธ โยงไปหาธรรมะซึ่งก็คือตัวความจริงของธรรมชาติที่มนุษย์จะต้องรู้และนำมาใช้ปฏิบัติอย่างไรก็ตามการที่จะรู้ธรรมะและปฏิบัติตามธรรมให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านั้นมนุษย์โดยทั่วไปไม่ได้ฝึกตนมามากมายถึงขั้นที่จะรู้และทำได้เองอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่จาเป็นต้องฝึกถึงขนาดนั้นเพราะเรามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงรู้ธรรมรู้ทางและบอกวิธีให้แล้วเราก็ไปฟังคำสอนจากพระองค์และปฏิบัติตามโดยถือเอาพระองค์เป็นแบบอย่างแต่ถ้าเราอยู่ห่างไกลพระพุทธเจ้าหรือพระองค์ปรินิพานแล้วเราก็เล่าเรียนสดับฟังคำสอนของพระองค์จากพระสงฆ์ที่ได้รักษาสืบต่อคำสอนของพระองค์มาถึงพวกเราแม้จะได้ดับฟังคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระสงค์รักษาสืบทอดไว้ให้แล้วแต่มนุษย์ทั่วไปจะปฏิบัติธรรมฝึกตนให้ก้าวหน้าโดยลำพังตัวเองได้ยากมนุษย์โดยทั่วไปนั้นต้องอาศัยบุคคลและสภาพแวดล้อมต่างๆช่วยเกื้อหนุนโดยเฉพาะสิ่งที่เกื้อหนุนได้ดีที่สุดก็คือชุมชนที่จัดตั้งไว้อย่างดีที่เรียกว่าสังฆะในชุมชนแห่งสังฆะนั้น นอกจากมีท่านที่ได้ฟังได้รู้ได้ฝึกปฏิบัติธรรมมาก่อนเช่นครูอาจารย์ที่จะเป็นกัญญานมิตรช่วยแนะนำฝึกสอนเราแล้วระบบความเป็นอยู่วิถีชีวิตการสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชุมชนการจัดสรรสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของชุมชนนั่นเองทุกอย่างจะเ อ, อื้อช่วยเกื้อหนุนให้เราฝึกตนก้าวไปในการรู้และปฏิบัติธรรมได้อย่างดีที่สุด ชุมชนแห่งสังข้านี้นอกจากเราจะได้อาศัยช่วยให้ตัวเราเก้าวหน้าไปในการรู้และทําตามธรรมะโดยมีกัลยาณมิตรเกื้อหนุนแล้วเราเองเมื่อก้าวหน้าไปเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนผู้อื่นด้วยและสังฆก็เป็นแหล่งที่จะดํารงรักษาระบบและวิถีชีวิตที่ดีงามพาสุขไวให้แก่โลกอันหนึ่ง มนุษย์ถึงจะมีศักยภาพที่จะเป็นอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่ระหว่างปฏิบัติเราก็จะมีพัฒนาการในระดับต่างๆไม่ใช่อยู่ๆก็เป็นพุทธะได้ทันทีมนุษย์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามธรรมโดยมีพัฒนาการในระดับต่างๆนั้นก็รวมกันเป็นชุมชนที่ดีงามประเสริฐคือสังขะนี้ซึ่งเท่าเรียกตามภาษาปัจจุบัน ก็คือสังคมอุดมคติมนุษย์เราทุกคนควรจะมีส่วนได้อาศัยและร่วมสร้างชุมชนนี้ขึ้นมาให้ได้ด้วยการฝึกศึกษาพัฒนาตัวเองของแต่ละคนขึ้นไปสุดยอดของมนุษย์คือพุท ธ, ธะแก่นแท้ของธรรมชาติคือธรรมะอุดมคติของสังคมคือสังคา เพราะฉะนั้นหลักพระรัตนตรัยก็คือหลักอุดมคติที่เป็นจุดหมายเป็นอุดมการเป็นหลักการสำหรับชาวพุทธซึ่งจะต้องยึดถือว่า 1. เตือนใจเราให้ระลึกถึงศักยภาพของตัวเองและให้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาตนเองให้เป็นอย่างพุท ธ, ธ 2. เตือนใจให้ระลึกว่าการที่จะพัฒนาตนให้สาเร็จนั้นต้องรู้เข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงของกฎธรรมชาติคือธรรมะ 3. เตือนใจให้ระลึกว่าเราแต่ละคนจะร่วมอาศัยและร่วมสร้างสังคมอุดมคติด้วยการมีและเป็นกัลยาณมิตรแล ะ, จะเจริญงอกงามขึ้น ในชุมชนแห่งอาริยะชนหรืออาริยะบุคคลที่เรียกว่าสังฆานี่คือหลักพระรัตนตรยัยจะเห็นว่าทั้งสามหลักโยงถึงกันหมด